จนถึงที่สุดอันนี้ที่จะพูดนี่จะพูดความไม่ประมาทเพิ่มเติมอีกเราพูดจะเพาะ อ, อันจะเพาะแต่พอที่เราจะปฏิบัติหรือเราเป็นอยู่แลาปฏิบัติอยู่ความไม่ประมาทเป็นการดีในหลักที่ท่านว่าไม่ประมาทในพระพุทธ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 ในที่ใดๆข้ากล่ า, าวพุทธังตะนางกขจามี้ข้า พ, จาพาเจ้าขอถึงปุถธเจ้าเหนือนันทีเมตนางอันอย่างที่พึ่งอื่นนอกจากพุถุเจ้ามีถ้าปุถธเจ้าเป็นของเป็นที่พึ่งของพระเสริฐอย่างนี้เป็นต้นคำพูดกับใจไม่ลงกันเมื่อเป็นชนั้นแล้วผนจะสําเร็จได้อย่างไร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 เขาถือกเขาถือกันเพียงแค่นั้นนะครใครจะไปพัฒนาคุณของผู้ปฏิเจ้าหรือว่าไอ้ของพระเจ้าไม่ใจ่ผพ้ปฏเจ้านั่นเรียกพระเจ้าหรือว่าใครจะไปตำหนิทีเตยียนหรือไปวิาวิจารณ์ในทางสองของผู้ปฏิเจ้าหรือตัวผู้ปฏิเจ้านั้นคือตัวพระเจ้าตําห น, นิทีเตยียนหรือวิภาควิจารณ์พระเจ้าของเขานั้น เขาห้ามเด็ดขาดเขาให้ถืออาอย่างเดียวให้น้อมนึกเขาลบนับถือยตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลา <c oughs> เขาถือกันจริงๆจัง ก, ก่อนด้กินเขาก็ถือเขากับเขารบกลาบไปโบราณของเราก็มีอยู่ก่อนจะกินเขาก็ต้องเอาเข้าไปบูชาพระพุทธรูป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 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเกล้ามาที่หลังเราแสดงความประมาทเอยดยมรู้ถูกมันก็หมดลิตลดหมดชาติความเคารพเคารนั่นก็ไม่มีถึงจะเป็นลูกก็เองเหมือนกันก็ว่าขาดเป็นกับพ่อกับแม่อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเท่นั้นจึงให้พากันเข้าใจไม่ใช่แต่ว่าจะไปกลาบไปไว้เฉย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 เลือกปารต่างๆทำคำสอนพุทธเจ้าอย่างที่เขาเทศมหาชาติเทศตลกเฮฮาสารพัดทุกอย่างอย่างในคนเจงเหัวเลาะเฮฮาคนเจ้เข้า อ, อกเข้าใจให้ใหญ่ไปตูวออกจากคล้องเรื่องก็ไปแหลนั่นแหละนี่ฝ่ายสนุกเฮฮาสารพัดทุกอย่าง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 อันนี้มาเสื่อมเพราะประยะิยัติธรรมท่ะนี่เพราะประยะิยัติธรรมทั้งหลายนั้นเสื่อมตั้งแต่ชาดกอันสูงจนกระทั่งเสื่อมลงมาลงมาเดิมดับมีมหาชาติชาดกเสื่อมก่อนเขาคือว่าไม่ใช่เอาท่องเรื่องไปเทศไปสอนเป็นเรื่องเพิ่มเติมหลือเป็นเรื่องแหล่เรื่องอะไรต่างๆอย่างที่ว่านนี้แหละ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 นอกจากนั้นเป็นเรื่องอภายขายินนาพุทธศาสนาชนแท้ทำไมไม่รู้จักทำกงองขรลมขันแล้ววาไม่มีขนบธรรมเนียมมันมีระเบียบมันดีงามคนต่างชาติต่างศาสนาหรือต่างถิ่นต่างฐานไม่เห็นเ่าแล้วก็โยกโทษมินทาเป็นการไม่ดีไม่งามนี่การประมาทท่ามการประมาททศสง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 ว่าถึงเรื่องเศรษฐีเศรษฐีก็หนึ่งไปเที่ยวนอกเมืองไปเห็นพระสังฆจ่ายท่านนั่งภาวานาท่านทํากิจของท่านอยู่เศรษฐีก็ไปกับบริวารลูกเศรษฐีคนนั้นไปเห็นพระสังกจ่ายและลูกของท่านสวยสดงดงาม ผิวพันธ์นเหมือนกับทองคำยิ่งบั่สังกะจ่ายสังกะจ่ายแปลว่าผิวพันธ์เหมือนก็ทองคำลูกเศษรษฐีถ้ยเกิดใจบาปขึ้นมาแม้ถ้าหาเราได้ภรรยาลูกร่างสวยสดอย่างนี้ก็จะดีมากไม่ใช่คิดประมาทเลยเท่านั้นอ่ะเป็นอันว่าเยียดหยามาความดีของท่านให้มาลงค่ายก็ว่าได้เป็นเมียของเราจะดีมาก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 หรือว่าด่าแช่งเดระการต่างๆแล้วจะไปถึงขนาดไหนกันเห็นนั้นจึงควรคำว่าประมาทในที่นี้นั้นสำหรับคารวาดจะต้องระวังที่สุดเกิดความประมาทในพระสงฆ์ขึ้นมาเวลาไดในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเวล า, าใดพระไตรชนาคมขาดสำหรับ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 การประมาทในพระพุทธธรรมประสงค์มีแนวดังอธิบายมานี้อันนี้เพียงยนยอ่อพอที่เราจะปฏิบัติได้ในฐานะของเราเป็นุร า, าสุาวิกาหรือว่าในฐานะของบุทุชนคานี้การประมาทในชิกขาบทวิจ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 นี่แหละว่าถึงเรื่องธรรมะอันส่วนที่เราพอจะพูดทั่วๆกับไปได้พอที่จะรู้ทั่วๆกันไปได้ถ้าพูดงเรื่องธรรมะในแนวปฏิบัติแท่งละเอียดตัวนันออย่างว่าผู้มีศีลมั่นในศีลข้างตนอุ่นใจในศีลข้งตนเกิดเพื่มปีติในศีลข้งตนจะดได้ขั้นใดภูมิใดก็ตามจะเป็นผู้ไม่ประมาท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 เพราะอย่างนั้นทุกทกคนจงพากันจดจำนำเอาอไปพิจารณาอีกต่อหนึ่งหากว่าไดวามลู้ว่วงขวงขึ้นไปด้วยประการใดแล้วจะเชื่อได้ตนเองอันนี้พูดถกเป็นไหนเล็กน้อยบนต้นที่แสดงมาเดี๋ยว น, นี้ก็สบควรด้วยประการละด้วยประการชนิด